อาจารย์ประมวลเพ่งจันนะเป็นอดีตอาจารย์หมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านเกษียณนะก่อนอายุครบ60แล้วก็ทันทีที่เกษียณอายุก็เดินเท้าจากเชียงใหม่ไปเกาะสมุยนะระยะทางก็นับ พันพันกิโลเมตรเลยใช้เวลาก็เป็นเดือนเพื่อไปกราบแผ่นดินแม่แล้วก็ใช้โอกาสนี้บำเพ็ญภาวานาไปด้วยตอนหลังเนี่ยท่านก็ได้ไปจาริกที่ประเทศอินเดียเพื่อไปอลํำลึกถึงบุญคุณนะของอินเดียเพราะว่าท่านเรียนจบปริญญาตรีโทเอกที่ประเทศอินเดียเนี่ย ทั้งก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญภาวนาอีกเหมือนกันมีวันหนึ่งท่านเล่าว่าเนี่ยขณะที่เดินจากสารนาชเนี่ยสารนาศนี่ก็เป็นสังเวชนณียสถานแห่งหนึ่งนะที่ชาวพุทธเรานิยมไปสักการะจากสารนาท่านก็เดินนะเข้าเมืองพารณาณสีซึ่งก็อยู่ห่างประมาณสักสิบกว่ากิโลตั้งใจว่าจะเดินเท้านะ บอกว่ามีสามล้อชายอินเดียเนี่ยขับรถตามท่านมาแล้วก็ขยันขยอให้ท่านเนี่ยขึ้นรถที่แรกอาจารย์ประมวลก็ไม่สนใจนะเพราะว่าตั้งใจว่าจะเดินนะสิสี่กิโลนี่สําหรับท่านนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ว่าสามล้อก็ยังไม่ลดละตามตื้อท่านสุดท้ายเนี่ยท่านก็เห็นใจนะก็เลยขึ้นรถสนองศรัทธา จริงๆเขาไม่ได้ให้คือรถฟรีนะต้องจ่ายเงินแต่ท่านก็ไม่ได้อไม่ได้เป็นห่วงเรื่องเงินเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากจะเอื้อเฟื้อเขาระหว่างที่นั่งรถก็คุยกับสาร้อมีตอนหนึ่งสำล้อก็เล่าว่าเนี่ยเขาหาเงินไม่ได้มาสามวันละถ้าวันนี้หาเงินไม่ได้นี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินเนี่ยที่ไหนเนี่ยไปซื้อ อาหารให้ลูกซึ่งมีอยู่สามคนฟังแล้วก็ดูแล้วน่าสงสารนะระหว่างที่นั่งรถเนี่ยท่านก็สังเกตอย่างหนึ่งว่าเนี่ยคนขับนี่ก็เหนื่อยมากนะเพราะว่าตอนนั้นมันก็เป็นกลางวันแสกแดด ก, ก็ร้อนถางก็ไกลนะสามล้อ ก, ก็นะเรียกว่าขยโยกันนะรถเนี่ยเนือน้อมันก็โซมกายเลยบางช่วงทามก็ ไม่ใช่ทางลาดนะมันก็เป็นขึ้นเนินนะก็ไม่ใช่งานนะสนับสัรลอเนี่ยดูแลนี่ก็น่าสงสารมากนะทั้งในเรื่องของรายได้ที่ฝืดเครื่องและต้องมาเหนื่อยนะกายในการทำงานร่หว่งที่กำลังนึกสงสารสัรลอคนที่อยู่เนี่ยดูๆก็มีลมเย็นพัดมา ตันที่ที่สามร้อนีได้รับสัมผัสจากลมเย็นนะแกมีความสุขมากเลยนะแกถึงกับชูมือนะอาอาปาก ไ, ไม่ไ่อาแขนแล้วก็ชูมือแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าพูดเป็นภาษาอินเดียนะผสมอังกฤษนะ AC พักควัน AC ก็คือเครื่องปะประกาศ Air Condition นะ พักขวัญก็คือพระเจ้าอขอบคุณพระเจ้าที่นําความเย็นมาให้นะจากเดิมเนี่ยที่กำลังมีความเหนื่อยกำลังมีความทุกขนะ์นะกลายเป็นคนที่มีความสุขขึ้นมาทันทีเลยนะสุขอย่างมากโดยเพียงแค่มีลมเย็นๆมากระทบนะอาตมาฟังที่อาจารย์ประมวลเล่าตอนนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจนะเพราะมันให้ข้อคิดที่ดีเลย ว่าคนเราเนี่ยแม้ว่าจะเหนื่อยแม้ว่าจะทุกเพียงใดก็อย่าลืมเปิดใจรับความสุขนะที่เกิดขึ้นอยู่ข้างหน้านะความสุขเนี่ยเนี่ยมันที่จริงมันก็ปรากฏกับเราอยู่เนืองๆหรือว่าตลอดทั้งวันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจรับความสุขหรือไม่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะ พอทุกเนี่ยไม่ว่าทุกกายหรือทุกใจก็จมอยู่กับความทุกความสุขเนี่ยมันมากระทบหรือมาชนข้างหน้านี่ยังไม่รับรู้เลยแต่ว่าสําร้อคนนี้เนี่ยทั้งที่แกทุกนะทุกเรื่องเรื่องเงินหรือแล้วก็เหนื่อยนะเพราะการขี่จักรยานสําร้อ แต่แกไม่ยอมปล่อยใจจมอยู่ความทุกข์นะทุกข์ก็จริงแต่ว่าใจนี่ก็ไม่จมอยู่ความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงสามารถจะเปิดรับความสุขนะที่มันเข้ามากระทบหรือเข้ามาชนเนี่ยได้ถ้าคนเราเนี่ยนะไม่ว่าจะทุกข์เพียงใดเนี่ยนะก็อย่าปล่อยให้ใจมันจมอยู่ความทุกข์จนลืมรับรู้ นะถึงความสุขที่อยู่ข้างหน้าเราซึ่งบางทีมันก็ปรากฏมาให้เรารับรู้อยู่บ่อยๆนะอาจจะเป็นฟ้าที่ใสนะเมฆที่ขาวนวลหรือว่าแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณหรือว่าเด็กที่กำลังยิ้มแย้มนะไรเดียงสา หรือคนข้างหน้านะที่กำลังยิ้มทักทายเราด้วยความห่วงใยหรือด้วยความปรารถนาดีพูดนี้ถ้าเราเปิดใจรับรู้นะใจมันก็จะเป็นสุขได้ง่ายแล้วมันก็จะช่วยเหมือนกับน้ำฉโลมใจนะที่ทำให้ใคลายจากความทุกข์ได้แต่ถ้าเกิดว่าใจเราเนี่ยจมดิ่งอยู่ความทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นความเครียดความ การกลุ่มความโกรธนะความสุขมันมากระทบหรือมาหาเราแล้วเนี่ยใจเราก็ไม่สามารถจะรับรู้ได้อันนี้ก็เรียกว่าเสียโอกาสนะความทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นนะบางทีเราก็ต้องเจอแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสจะได้สัมผัสหรือรับรู้ถึงความสุข มันก็มีอยู่นะมาให้เรารับรู้อยู่เนืองเนืองนะถ้าเราฉลาดเนี่ยนะเราก็เปิดใจรับความสุขนะมันก็จะช่วยนะผ่อนคลายจิตใจให้หายนะคลายจากความเศร้าโศกคลายจากความกัดกรุมได้คนเราเนี่น ะ, ะแม้เราจะหนีความทุกข์ไม่พ้นแต่เราก็ต้องต้องรู้จักไวต่อความสุขนะไวต่อความสุขที่มีอยู่ข้างหน้าหรือที่ปรากฏ นะกับอยู่เบื้องหน้าเราอาจจะเป็นธรรมชาติบางทีแดดร้อนๆเนี่ยกำลังเหนื่อยนะเห็นดอกไม้นี่กาลังบานเนี่ยพราะมันทำให้ใจนี่ชุ่มชื่นได้นะอย่างเคยไปเดินธรรมยาตรานเนี่ยแดดร้อนมากเลยนะตอนบ่ายๆทางนี่มันก็เป็นทางลุกรังนะข้างทางนี่มันก็มีฝุ่นแดงๆเนี่ยนะ เรียกว่าประโปรยนะอยู่ตลอดทางเลยแต่ว่ามีช่วงหนึ่งนะเดินผ่านมันเป็นคล้ายๆเป็นไร่นะแล้วก็มีต้นประทัดจีนเนี่ยดอกมันเนี่ยอบานนะบานสู้แดดเลยนะหลายคนพอเห็นนะที่เหี่ยวๆนะกำลังทอๆใจมันฟูขึ้นมาเลยนะเพราะว่า มันเป็นภาพที่ตัดกับบรรยากาศที่หอเหี่ยวแห้งแล้งนะแต่ประเทศจีนี่โอ้ยนะอยู่เรียงรายนะริมถนนเนี่ยหลายๆลายคนนี่มีชื่อชีวาขึ้นมาเลยนะในนั้นงที่เส้นทางนี่มันทรหดนะแต่ว่ามันก็ยงมีสิ่งดีๆที่จะให้ความสุขกับเราได้ถ้าเราหมั่นสังเกตและขณะเดียวกันก็พร้อมจะเปิดใจรับด้วย อย่าจมอยู่กับความทุกข์อย่าจมอยู่กับความเหนื่อยอยจมจนทั้งไม่รับรู้สิ่งดีๆที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเราหรือไม่รับรู้ความสุขที่นะวิ่งเข้ามาหาเรานะไม่ว่าจะทุกข์แค่ไหนเนี่ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้ปรากฏแกเราอยู่เสมอมันก็เป็นความสุขเล็กๆ น, น้อยเนี่ยที่ช่วยทําให้ชุ่มชื่นใจได้และทําให้มีกําลังใจในการที่จะเอาวข้ามผ่านความทุกข์ไปได้